กองทัพธรรม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 ของสมเร็จพระผู้มีพระภาคเจ้าและเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นในระยะที่ใกล้จะถึงวันเพ็ญเดือนเวสาขะเข้ามาได้กระทํากันอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษผู้อยู่ในอยธยาจะทราบความเป็นไปของพระบรมศาสดาในสามสี่วันที่ล่วงแล้วมาได้เพราะพระเจ้าสุรเสนะทรงจัดให้มีม้าเร็วรีบส่งข่าวต่อๆกันเพื่อให้ได้รับทราบข่าวสาคัญนี้โดยเฉพาะ หลังจากได้ทราบข่าวกันโดยทั่วไปว่าณปาวานเจดีใ ก, กล้กรุงไผ่สาลีรัชธานีแห่งแขวนวัชีสมเด็จพระสุคตเจ้าได้ทรงปรงอายุสังขารคือกำหนดพระฤาษไทยว่าจะปรินิพานในอีกสามเดือนข้างหน้าซึ่งเมื่อนับจากวันนั้นอันเป็นวันมาฆบุญมีแล้วกำหนดการปรินิพานก็จะตกในวันเพ็ญแห่งเดือนเวสาขะบัดนี้การเวลาก็ล่วงมาโดยลาดับ ใกล้จะถึงวันปรินิพานแล้วมีข่าวแจ้งมาเรื่อยๆว่าภายหลังที่เสด็จจากปาวานเจดีก็เสด็จออกจากกรุงไผ่าลีมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านชื่อพันธขามหัททคามอัมพะขามชัมผู้ขามและพุ่งนครโดยลําดับเมื่อออกจากพวกนครก็เสด็จสู่กรุงปาวาและประทับยับยั้งอยู่ณป่าเมือม่วงของนายจุนทะครั้นแล้วก็เสด็จข้ามลําน้ำกากุธา และเดินทางเลียบลำน้ําหิรัญยวดีเรื่อยไปจนถึงสารวันคือป่าไม้สาละอันเป็นที่พักผ่อนของมรลคกษัตริย์กรุงกุสินาราเพระองค์ได้ประทับณสารวันนั้นเป็นแห่งสุดท้ายก็เสด็จดับคันธะปรินิพานลําดับการเสด็จพุทธดําเนินดังกล่าวมานี้ชาวอยุธยาได้ทราบรายละเอียดตลอดแต่ที่ได้มีการกล่าวซ้ําเป็นพิเศษในการแจ้งข่าวให้ทราบนั้นมีข้อความสําคัญเป็นข้อข้อคือ เมื่อประทับอยู่ณพกนครได้เสด็จแสดงข้ออ้างใหญ่คือมหาประเทศสี่ประการสำหรับตัดสินพระธรรมวินัยข้อที่หนึ่งในเมื่อมีผู้อ้างว่าข้อความนี้ได้สดับมาได้รับมาในที่เฉพาะพระภาคแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้านี้เป็นธรรมเป็นวินัยเป็นคำสอนของพระศาสนาก็ตามข้อที่สองเมื่อมีผู้อ้างว่าได้สดับมาได้รับมาจากสงในอาวาสนั้น มีพระเทราะเป็นใหญ่เป็นประธานว่านี้เป็นธรรมเป็นวินัยเป็นคําสอนของพระศาสดาก็ตามข้อที่สเมื่อมีผู้อ้างว่าได้สดับมาได้รับมาจากภิกษุผู้เป็นเทระหลายรูปในอาวาสนั้นๆซึ่งเป็นผู้สดับตรับฟังมากเป็นผู้ทรงจํานิกายหรือหมวดหรือหัวข้อแห่งพระสูตรเป็นผู้ทรงธรรมสงวินัยและทรงมาติกาคือหัวข้อพระวิธรรมว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัย เป็นคำสอนของพระาศาสดาก็ตามข้อที่4เมื่อมีผู้อ้างว่าได้สดับมาได้ ร, รับมาจากภิกษุผู้เป็นเทระรูปเดียวในอาวาตนั้นๆซึ่งมีคุณลักษณะเช่นเดียวกับภิกษุผู้เป็นพระเทรรหลายรูปดังกล่าวในข้อสามก็ตามไม่พึงรับหรือพึงปฏิเสธก่อนพึงเรียนบทพยัญชนะให้ดีแล้วสอบกับพระสูตรเทียบกับพระวินัยถ้าเห็นว่าเข้ากันไม่ได้ก็ไม่พึงรับไว้ ถ้าเห็นว่าเข้ากันได้ก็เพื่อสนิษฐานได้ว่าถูกต้องทั้งนี้ย่อมเป็นไปเพื่อป้องกันความยุ่งยากในการแอบอ้างกล่าวตู่พระพุทธวจนะได้ประการหนึ่งเป็นการวางแบบตัดสินไว้คู่เคียงกับการที่สรงแสดงลักษณะตัดสินธรรมวินัย8ประการในทางหลักธรรมแก่พระนางมหาปชาบดีโคตมีข้อที่สองเมื่อถึงสารวันป่าไม้สาระแล้วจึงตรัสสั่งให้พระอนุนเท ร, ระตั้งเตียง หันพระเสียนไปทางทิศอุดรระหว่างไม้สารละทั้งคู่ทรงสอนให้ถือการบูชาพระรงด้วยการปฏิบัติชอบตามธรรมว่าเป็นการบูชาด้วยการบูชาอย่างยิ่งสูงกว่าการบูชาด้วยอมิตรมีดอกไม้เป็นต้นเป็นการเตือนให้พุทธบุริษัตถือการปฏิบัติตามธรรมเป็นหลักใหญ่ยิ่งกว่าการกราบไหว้หรือการบูชาด้วยวัตถุอย่างอื่นซึ่งแท้จริงก็มุ่งประโยชน์ที่ผู้ปฏิบัติจะพึงได้รับเป็นประมาณ ข้อที่สณสารวันอันเป็นที่พรินิพพานนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาได้ตรัสพรอะพระอนุ์ผู้ร้องไห้เศร้าโศกเพราะปรากฏว่าท่านเองแม้เป็นพระอริยบุคคลแต่ก็ยังอยู่ในประเภทแรกยังไม่หมดยิเลดโดยสิ้นเชิงบัดนี้พระผู้มีพระภาคผู้อนุเคราะห์ท่านก็จะพรินิพพานไปทั้งเวลาก็ใกล้เข้ามาไม่ได้กราบทูลอย่างนั้นอย่างนี้พระบรมศาสดา ก็ตรัสตอบให้หลักต่างๆอันล้วนแต่แสดงว่าต่อไปจะไม่ได้อยู่ใกล้และสะดับย์พุทธรรมรัตอีกต่อไปแล้วเช่นเมื่อพระอนุนกราบทุนว่าพระพิสุทั้งหลายผู้เดินทางมาแต่ที่ไกลต่างพากันแสดงความโศกสลดว่าต่อไปจะไม่ได้มาเข้าเฝ้าถวายบังคมต่อไปอีกแล้วก็ทรงแสดงสังเวชในยศสถานคือที่ประสูตรัสรู้แสดงธรรมจักรและพระนิพพานว่า ควรไปที่ตั้งแห่งความสังเวชซึ่งพุทธบริษัทผู้ไปเยือนจะพึงรลึกถึงสมเด็จพระบรมศาสดาเมื่อพระอนุทูลถามถึงวิธีปฏิบัติในพระพุทธส ร, รีระก็ทรงชี้แจงเพื่อให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่ตอไปครั้นแล้วทรงแสดงถึงบุคคลผู้ควรจะการสร้างสถูปบรรจุอธิษฐาน4ประเภทซึ่งการแสดงดังกล่าวนี้เป็นเสมือนหนึ่งสัญญาณที่แสดงว่าใกล้เวลาจะปรนิพานเข้ามาแล้ว ความจงรักภักดีที่ได้เคยตามเสด็จใกล้ชิดปฏิบัติอุปถาคตลอดมาจำเลิมแต่การที่พระพิสุสงเลือกให้พระอนต์ทำหน้าที่เป็นผู้เท่าประธาน ก, ก็ทำให้พระอนต์รู้สึกอัดอั้นตันใจจนสุดที่จะก้านโศกาดูนเอาไว้ได้ท่านจินหลีกไปยืนเกาะสลักเพชรร้องไห้สื่อซื้ออยู่ความทราบถึงสมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสสั่งให้พิสุรูปหนึ่งไปตามพระอนุมาแล้วตรัสว่า ดูก่อนอานุนเธอย่าเศร้าโศกคร่ำครวญไปเลยเราได้บอกไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าความพลัดพรากแปรปวนไปจากสิ่งที่รักที่พอใจทั้งปวงนั้นย่อมเป็นของธรรมดาสิ่งที่เกิดแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความสุดลมไปเป็นธรรมดาจะขอร้องให้ไม่สุดลมไปนั้นมิใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ดูก่อนอานุนเธอได้อุปถัก ร, รับใช้ตถาคตมาตลอดกาลนาน ด้วยการกระทำทางกายวาจาใจอันประกอบด้วยเมตตาเป็นประโยชน์และความสุขไม่เป็นที่สองของใครไม่มีประมาณอาณนุนเอยเธอได้ทําบุญไว้แล้วเธอจงประกอบความเพียรต่อไปเิดในไม่นานไม่ช้าก็จะได้เป็นผู้สิ้นอาสวะกิเล พระพุทธอง์ตรัสดังนั้นแล้วจึงทรงปารภเรื่องพระอนุนกับพิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดทั้งในอดีตและอนาคตพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นย่อมมีผู้ปัตถากรับใช้อย่างดียิ่งเพียงแค่อานุนซึ่งเป็นผู้ปัตถาราดูก่อนพิกษุทังหลายอานุนเป็นบัณฑิตย่อมรู้การอันควรว่าการนี้ควรเข้าเฝ้าตถาคต การนี้เหมาะสําหรับภิกษุสําหรับภิกษุณีสําหรับอุบากสกสําหรับอุบาสิกาการนี้เหมาะสําหรับพระราชามหาอํา ม, มาตย์การนี้เหมาะสําหรับเดรัจฉีและการนี้เหมาะสําหรับสาวกเดรัจฉีดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีข้อหน้าอัศจรรย์ของอ น, นุนยุสี่างก็คือภิกษุบริษัทภิกษุณีบริษัทอุบาสกบริษัทหรืออุบาสิกาบริษัทเมื่อเข้าหาอานุน เพียงได้เห็นก็อิ่มเอิบใจถ้านน์กล่าวธรรมะให้ฟังก็จะพากันอิ่มเอิบด้วยพาสิทธิ์ของอานนท์บริษัทเหล่านั้นยังสดับธรรมกคาถาต่อไปไม่ทันอิ่มหรือรู้สึกพ อ, อานนท์ก็หยุดแสดงธรรมเสียก่อน ข้อที่สณที่นั้นพระนนทีระได้กราบทูลขอร้องมิให้สำเร็จพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานณนะเมืองกุสินาราอันเป็นเมืองเล็กเมืองน้อยเมืองดอยเป็นเมืองกิ่งควรจะได้เสำร็จไปปรินิพานณนะเมืองใหญ่ๆเช่นราชครื้สาวัตถีเป็นต้นแต่สำเร็จพระบรมศ า, าสดาตราตับตอบว่าเมืองกุสินารานี่แหละเคยเป็นราชธานีของพระเจ้าจากักรพรรด ทรงพระนามว่าสุทัศนะในครั้งนั้นมีชื่อว่าเมืองกุสาวดีมีความยาวไปทางทิศบุรพาและทิศประจิมด้านละส2องโยชนิมีความกว้างทางทิศอุดอรและทิศ ต, ตกศิลด้านละเจดโยชน์เป็นราชธานีมั่งคัง่งเฟื่องฟูมีคนมากมีอาหารบริบูรณ์ดีย่อมอื้ออึงด้วยเสียงทั้งสิบเสียงมีเสียงช้างเสียงมา้าเสียงรถเป็นต้นตลอดที่วและราตรี ในข้อนี้คนประกาศข่าวของอยุธยาได้พยายามเน้นให้เห็นว่าเป็นการเสียสละความสุขสนพระองค์เสด็จพระพุทธดำเนินจากราชธานีต่างๆเพื่อไปปรินิพานณนะเมืองกุสินาราอันเป็นเมืองเล็กเป็นการป้องกันไม่ให้แข็งขืนสู้รบกันเพื่อช่วงชิงแย่งพระบรมสารีริกธาตุภายหลังที่พระองค์ปรินิพานแล้วเพราะถ้าเสด็จไปปรินิพาน ณราชธานีใหญ่ๆมาหากษัตริย์แห่งราชธานีนั้นๆก็คงจะแข็งขืนไม่ยอมผ่อนปรนจากกลายเป็นต้นเหตุแห่งสงครามเพราะฉะนั้นจึงสู้เสด็จจากแควนมคตผ่านแขวนวัดชีขึ้นสู่แขวนตะวันออกเฉียงเหนือและเลือกเอาเมืองกุสินาราเป็นที่ปรินิพานครั้นมีผู้คัดขันเช่นที่พระอนนกราบทูลก็ทรงแสดงอดีตประวัติของเมืองกุสินาราว่า เคยเป็นรัชธานีนามว่ากุสาวดีเพื่อให้คลายความรู้สึกข้องใจในเรื่องเมืองใหญ่เมืองเล็กเป็นการมองเห็นการไกลและสร้างสันติแม้ในยามสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพครั้นตรัสเล่าประวัติเมืองกุสินาราดังนั้นแล้วจึงสั่งให้พระนุลไปแจ้งข่าวที่จะกรวรริพานแจ่มลรรคสัตย์ผู้สืบสายสกุลวสิทธะให้ทรงทราบต่างก็พากันเสด็จมากราบถวายบังคม พร้อมด้วยพระประยธญาต์อย่างคับข้่งซึ่งพระอนุลก็จัดให้ถวายบังคมเป็นสกุลสกุลไปมันและกษัตริย์เหล่านั้นก็เศร้าโศกกันแสงเสียดายสมเด็จพระบรมศาสดาข้อที่หปาปฐมยามแห่งราตรีล่วงไปแล้ว มล ก, กษัตริย์จึงได้กราบถวายบังคมเสร็จสิ้นและเสด็จกลับสู่ราชมลทียนพอถึงมัชิมยามแห่งราตรีก็มีปริพาชกชราชื่อว่าสุพัทธะผู้เป็นนักบวชนุ่งผ้าขาวจะขอเข้าเฝ้าพระอานนท์เห็นจะเป็นการรบกวนจึงห้ามไว้ความทราบถึงสุเด็จพระบรมศาสดาจึงประทานพระอนุญาตให้เข้าเฝ้าทรงสแสดงธรรมแจกริพาชกให้ได้ความเลื่อมใส ละทิ้งศาสนาเดิมของตนขอเข้าบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนานับเป็นสาวกองค์สุดท้ายก่อนหน้าปรินิพพานเพียงเล็กน้อยลำดับนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสสั่งการต่างๆแก่พระอนุ์เช่นการใช้ถ้อยคำระหว่างภิกษุผู้มีพรรษาอายุกับภิกษุผู้อ่อนกว่าการอนุญาตให้ถอนสีขาบนเล็กน้อยได้และการปฏิบัติต่ตอภิกษุช น, นะ ผู้เคยเป็นสารถีตั้งแต่ครั้งพระองค์เป็นราชกุมารและเคยตามเสด็จเมื่อออกผนวดแต่ที่นับว่าเป็นการสั่งที่สำคัญยิ่งก็คือทรงปาราว่าอาจจะมีผู้เข้าใจว่าเมื่อพระองค์ปรินิพานแล้วก็จะเป็นเสมือนหนึ่งาศาสนาที่ไม่มีาศาสดาคือผู้สอนพระองค์จึงตรัสว่าดูก่อนอาณนธรรมและวินัยอันใดที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วจะท่านทั้งหลาย ธรรมและวินัยนั้นจกเป็นศาสดาของท่านทั้งหลายเมื่อเราล่วงไปแล้วในข้อนี้ผู้ประกาศข่าวแจ่มหาชนของอยุทยาได้กล่าวเน้นให้เห็นว่าเป็นการแสดงถึงความที่พระพุทธศาสนาถือหลักธรรมคําสังสอนเป็นสำคัญที่แม้พระบรมศาสดาจะเสด็จปรินิพานไปแล้วสกี่พันกี่หมื่นปีถ้าพระธรรมวินัยยังคงอยู่ก็เสมือนหนึ่งพระบรมศาสดา ยังคงสงพระชนอยู่ครันแล้วตรัสถามพิษุทั้งหลายผู้ประชุมกันณนะที่นั้นว่าผู้ใดมีความสงสัยในพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ในมรรคหรือข้อปฏิบัติก็ให้ถามได้แต่ก็ไม่มีผู้ใดทูลถามเพราะพิสุเหล่านั้นอย่างตา่ำก็เป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันอยู่แล้ว ข้อที่ 6. ครั้นแล้วสมเด็จพระบรมศาสด า, าได้ประทานพระพุทธโอวาทเป็นครั้งสุดท้ายสั้นๆว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราเตือนเธอทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเมื่อจบปัจฉิมวาจาดังนั้นแล้วก็ไม่ได้มีพุทธธรรมรัตอีกต่อไปขณะนั้น ปชิมยามแห่งราตรียังเหลืออยู่อีกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานเข้าสู่ทุติยฌานจนถึงจตุตฌานอันเป็นรูปฌานคือการเพ่งรูปเป็นอารมณ์ครั้นแล้วทรงเข้ารูปฌานทั้ง4โดยลําดับออกจากรูปฌานที่สุดท้ายคือในวสัญญานาสัญญายจตนาะแล้วก็ทรงเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ ออกจากสัญญาเวทนิตาติโรดอันเป็นสมาบัติที่9แล้วทรงย้อนกลับเข้าสู่อรูปฌานจากสูงมาหาต่ำแล้วเข้าสู่รูปฌานจากที่4มาหาที่สครอบเป็นอนุโลมคือการเข้าตามลำดับและปฏิโลมการเข้าโดยถอยกลับแล้วออกจากปฐมฌานทรงเข้าทุติยฌานอีกออกจากทุติยฌานเข้าสู่ตติยฌาน ออกจากตติยฌานเข้าสู่จตุยฌานคือชั้นที่สี่คร้นออกจากชั้นที่สซึ่งเป็นรูปฌปานก็เสด็จดับคันธะปรินิพานลีลาในการเข้าสมาบัติเมื่อปรินิพานของพระสารีบุตรเทรเจา้ากับของสมเด็จพระบรมศาสดาเป็นอย่างเดียวกันอันแสดงว่าทรงนิพานระหว่างรูปฌปานกับอรูปฌานไม่ติดในวัตถุหรือติดในนามนธรรมด้วยประกาศ ร, รัชนี เป็นเวลาใกล้รุ่งอันสงัดเงียบของราตรีวิสาขปุณณีดวงจันทร์ที่ส่องแสงสุกนวลอยู่คล้อยไปทางตะวันตกจวนจะลับขอบฟ้าไปแล้วพอพระอนุรทธาธีรยเจ้าประกาศว่าสมเด็จพระตถาคตเจ้าประนิพานแล้วพิสุททั้งหลายผู้นั่งประชุมเฝ้าดูพระราการของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาจนถึงปชิมยามแห่งราตรีที่ยังเป็นพระเสขบุคคลและยังเป็นปุตธชน ก็รู้สึกดังว่ามีใครมาเด็ดเอาดวงหัตถของตนไปเกิดความรู้สึกว่าวิวไม่สามารถกลั่นอสุชนไว้ได้ต่างก็เสือื่นให้คร่ำครวญถึงสมเด็จพระบรมศาสดา45ปีแห่งการที่ทรงลำบากตรากตรำสเสด็จจาริกสูคามณิคมชนบทใหญ่น้อยเพื่อแสดงธรรมโปรดมหาชนให้ได้เห็นทางแห่งความหลุดพ้น เป็นการส่องกระที่แ่งชีวิตแจ่คนทั้งหลายบัดนี้พระธรรมราชาจอมทัพธรรมได้ประนิพานแล้วทรงวางรากฐานคือพระธรรมวินัยไว้ให้คงอยู่อำนวยความร่มเย็นเป็นสุขแก่นิกรชนยุคแล้วยุคเล่าหาที่สุดมิได้สี่สิบห้าปีที่ทรงตรากตรำเพื่อความผาสุก ข, ของมหาชนอีกเมรุจีพันจีหมืนปีทุกคนไม่ว่า ในสมัยใดที่รับความเยือกเย็นแห่งชีวิตเพราะตั้งอยู่ในพระพุทธโอวาทก็ชื่อว่ามีส่วนได้เฉลี่ยผลงานอันมีคุณค่าตลอด45ปีนั้นเป็นผลงานที่แจกความสุขแก่คนทั้งหลายโดยไม่รู้จักหมดสิน้นป่าไม้สาละเอยแม้อสุชน แห่งพระสงฆ์สาวกและมรระกษัตริย์จะหยดลงในวันสุดท้ายนี้เพราะการเสด็จจากไปของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นดวงตาของโลกแม้เสียงเสื อ, อื่นให้ระงมไปในท่ามกลางความเงียบสงัดแห่งราตรีเมื่อพระธรรมราชายอมทับมรมพระองค์นั้นได้ดับขันธปรินิพพานแล้วก็จะได้น้อยใจเลยว่าป่านี้แวดล้อมไปด้วยน้าตา และความโศกกรรมสดต่อไปในอนาคตการอันหาที่สุดมิได้ป่านี้จะกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชนทั้งหลายจะพึงมาค้อมศีรษะแสดงคารวะมีความเต็มตื้นไปด้วยความสำนึกในพระคุณของผู้ประกอบไปด้วยมหากรุณาคนที่แม้อยู่ไกลแสนไกลจะพากันอุตสาหามาจนถึงสถานที่แห่งนี้ก้อนดินหรือแม้ใบไม้ในสถานที่แห่งนี้ จะกลายเป็นของมีค่าที่ผู้มาจะพึงเจ็บไปเป็นอนุสรณ์และประดิษฐานไว้ในที่อันสูงส่งป่าไม้สาระเอ่ยโดยปกติถ้าสมเด็จพระบรมศาสดาไม่เสด็จมาปริพานแล้วแม้แต่ชื่อว่าไม้สาระก็คง ยังไม่มีใครสนใจใคร่อยากจะรู้แต่เพราะเหตุที่ป่าแห่งนี้ได้มีโอกาสรองรับพระพุทธสรีระในอวสานการคนทั้งหลายก็จะพากันจดจํานามของป่านี้และนามของป่าไม้สารละอยากรู้จักอยากเห็นดอกอยากนำไปปลูกไว้แม้ป่าอาจจะหมดไปตามธรรมดาของสังขารแต่พันไม้สารละชื่อเสียงของไม้สาละจะพลอยดารงอยู่นานเท่านาน ด้วยคุณค่าแห่งการระเพ็ญประโยชน์ตลอด45ปีของสมเด็จพระบรมศาสดาผู้สเสด็จมาปรินิพานณที่นี้ดวงจันเอยเมื่อวันเพ็ญที่โคจรผ่านกลุ่มดาววิสาขะ80ปีมาแล้วท่านได้เห็นเหตุการณ์ที่พระมหาบุรุษแห่งโลกได้ประสูด จากพระมาตุคับโพธนสาิปีต่อมาในวันเพ็ญเช่นนั้นเวลาจวนรุ่งอรุณท่านก็ได้เห็นพระมหาบุรุษประชักนาโพธิบัลลังก์ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณบัตดนี้เมื่อ80สิปีมาถึงในวันเพ็ญเช่นนั้นอีกและในเวลาจวนรุ่งอรุณเช่นกันท่านก็ได้เห็นเหตุหการณ์อันน่าโศกสลดณป่าไม้สาละ รกร้กรุงกุสินาราคือภาพที่สมเด็จพระบรมศาสดาเสด็จดับคันธะปรินิพานในถ้ำกลางเสียงเสะอื้นให้กร่ำครวญของภิกษุทั้งหลายดวงจันเอยจงจำไว้เถิดว่าวันเพ็ญที่มีนามว่าวิสาข ปุณณีอีกกี่พันกี่หมื่นครั้งที่จะผ่านมาจะกลายเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ที่คนทั้งหลายจะพากันจึุดกระทีพโคมไฟกระทาสักการะน้อมจิตรึกถึงพระพุทธคุณมิรู้ลืม